บทที่ห9หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพฉันพัฒหารเสร็จและล้างมือบ้วนปากเรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงรีบไปที่กุฏิหลวงพ่อเดิม ปานนี้ท่านคงเตรียมทำน้ำมนศสึกไว้พร้อมศัพ์ครั้นไปถึงก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เห็นปาดน้ำมนก้มลงกราบเบญจางขารบปิดสามครั้งแล้วจึงถามพระเดชพระคุณขอรับเหตุใดจึงยังไม่ทำน้ำมนศสึกให้เกล้ากระผมขอรับวันนี้ยังไม่มีเลิกต้องรอพรุ่งนี้ภิกษุวัยร้อยสามปี พูดแบบเดียวกับเมื่อวานพระนุมรู้สึกผิดหวังและขัดเคืองหากก็ไม่กล้าแสดงออกจึงได้แต่นั่งซึมเศร้าอยู่อย่างนั้นคุณจะรีบสึกไปทำไมเพิ่งบวชได้พันษาเดียวเท่านั้นดูแต่ฉันสิบวชมาแปสิบสามพันษายังไม่เคยคิดจะสึก หลวงพ่อเดิมพูดคล้ายๆจะปลอบใจภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นแต่กล้าวกระผมไม่ใช่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ขอรับผู้อ่อนวัยกว่ายง้งส่นเสียงออกจะแข็งๆโดยไม่ศพอารมณ์ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาเถอะถ้าคุณอยากศึกจริงๆพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ถ้อยคำของภิกษุชารา ทำให้พระเจริญชุ่มชื่นใจขึ้นจึงรีบบอกหลวงพ่อเดิมว่าพรุ่งนี้เช้าพระเดชพระคุณทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้เลยนะขอรับสึกหาลาเพศแล้วเกล้ากระผมก็จะขออยู่ที่วัดนี้ไปอีกสักพักเพื่อเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักถ้าเช่นนั้นฉันจะสอนให้คืนนี้เลยตอนที่คุณนวดให้ฉัน ขอพระคุณขอรับพระหนุมประนมมือขึ้นไหวอย่างนอบน้อมฉันกำลังจะพาคุณไปดูอะไรในวัดเมื่อวานคุณก็เดินสารวจมาแล้วนี่เห็นอะไรบ้างท่านหาอุบายให้ภิกษุนมเลิกสนใจเรื่องการศึกหาหลาเภศเห็นหลายอย่างขอรับแต่เก้ากระผมไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีคนอธิบายให้ผมฟังขอรับ เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังก่อนแล้วกันช่วยไปเรียกเนนมาลากเกวียนได้แล้วพระเจริญจึงเดินไปบอกเนรที่ห้องสา ม, มเณรมาแล้วจึงช่วยกันประคองหลวงพ่อเดิมไปนั่งเกวียนขนาดเล็กซึ่งทำขึ้นมาสามปีก่อนเพื่อเป็นพาหนะประจำของท่านนับแต่เดินไม่ได้สา ม, มเณรวัยสก้ลากเกวียนเล่มเล็กไป ต, ตามทางโรยกรวด ภิกษุหนมเดินตามไปติดๆกระทั่งมาถึงศาลาหลังใหญ่พระกับเนียนจะช่วยกันประคองภิกษุชาราขึ้นบันไดไปยังอาสนะข้างบนจากนั้นท่านจึงเล่าประวัติความเป็นมาของวัดน้องโพให้ภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นฟังสมภารองค์แรกของวัดนี้เป็นขุนพลเท่า ทหารคู่ใจของพระยาตาเมื่อได้กันช่วยรบพม่าจนกู้ชาติสำเร็จแล้วก็พญาตาขึ้นกรองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วคุณพลเท่าได้รับพระมหากรุณาโปรโดเกล้าให้เป็นคุณหลวงแต่ท่านไม่รับกลับถวายบังคมลาออกจากราชการเพราะเห็นว่าได้ทำสึกฆ่าคนมามาก จึงอยากจะบวชล้างบาปกรรมซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีก็ทรงอนุญาตขุนพลเท่าได้เดินทางมานครสวรรค์และก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากนั้นก็ได้ฟื้นฟูวัดหนองโพซึ่งเป็นวัดร้างและท่านก็ได้เป็นสมภารองค์แรกภิกษุขุนพลเท่าท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และก็ประสบการณ์ ให้สมภารองค์ต่อมาและสืบต่อมาเรื่อยๆจนถึงสมภารองค์ที่ห้าซึ่งเป็นอาจารย์ของฉันท่านหยุดเล่ามองหน้าพระนุ่มรู้ตั้งแต่แรกที่เห็นแล้วว่าบุคคลผู้นี้เหมาะสมกับมรดกทางปัญญาที่ท่านจะมอบให้วิชาที่พระเดชพระคุณพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างขอรับ มีหลายอย่างตั้งแต่ตำราพิชัยสงครามคดชศาสตร์คาถาอาคมกระบี่กระบองดนตรีไทยและริเกสองอย่างหลังทำให้พระหนุ่มตาโตรีบบอกท่านว่ากล่าวกระผมก็เป็นดนตรีไทยแล้วก็เขียนบทริเกร้องด้วยเขียนเรื่องเท้าปาจิตกับนางอรพิมขอรับ ฉันรู้ถึงคุณไม่บอกฉันก็รู้นอกจากนี้ฉันยังรู้ด้วยว่าแต่ก่อนคุณไม่คิดจะแต่งงานไม่รักผู้หญิงแต่เดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิงเพราะเห็นแกแ่แหวนเพชรวงเดียวแล้วก็เรื่องที่คุณอยากศึกเพราะเกลียดพระนั้นฉันขอเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรักยิ่งห่างไกล คอยดูต่อไปว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยจะจริงหรือเท็จอารมณ์ที่ชื่นบานกลับหม่นมองเพราะคำพูดที่ตรงไปตรงมาของภิกษุสูงวัยพระเจริญเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าท่านคงไม่มีโอกาสศึกออกมาเป็นขฤรือหัดไม่มีโอกาสได้แต่งงานกับแม่ประยงคนที่หลวงพ่อเดิมพูดว่าคุณเปลี่ยนใจมารักผู้หญิง เพราะเห็นแก่แหวนเพชรวงเดียวพิกษุชราดูเหมือนจะล่วงรู้จิตใจของท่านดีกว่าตัวท่านเองเสียอีกพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับทำไมในวัดจึงต้องมีการสอนรำดาบกระบี่กระบองและลิเกด้วยขอรับ ภิสุนมเปลี่ยนเรื่องถามไม่เฉพาะลิเกนะคุณเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวลำตัดหมอลลำฉันก็สอนให้หมดเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ไม่ให้สูญหายนี่ฉันดำเนินรอยตามหลวงพ่อขุนพลเท่าที่เป็นสมพานองค์แรกซึ่งท่านสั่งเสียไว้กับสมพานองค์ที่สองและ เสิบช่วงกันต่อมาจนถึงชั้นและพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ่ายทอดให้ผู้ที่จะมาเป็นสมภารองค์ต่อไปหรื อ, อยังขอรับภิกษุหนุ่มถามสายตากวาดไปรอบรอ บ, รอบสาลาที่มีดาบและกระบี่กระบองแขวนอยู่เต็มบนพื้นยังมีวงโมโหรีปิดพาดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแทนคำตอบภิกษุสงวยเปรยขึ้นว่า ไอเต่าเฝ้ากอบัวพึ่งภุมมารินบินมาแต่ดงดอนคล้าวครึงเกสอนสวัสดีมีชัยไอเตา่าโง่ตอบไปสู้พึ่งภุมมารินไม่ได้ไอคนในวัดนี้โง่ใกลเกลือกินด่างท่านตั้งใจประชดสมณีนวัยส9เกผู้มีศักดิ์เป็นหลานเพราะเป็นบุตรของหลานคนหนึ่ง ของท่านพระเจริญพอจะรู้จึงถามเนนว่าทำไมเนนไม่ขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อท่านผมไม่รู้จะเรียนไปทำไมอีกอย่างผมก็ไม่ต้องการจะเป็นบรรพชิตนี่ก็ว่ารอให้อายุครบบวชพระบวชทดแทนป้อนข้าวป้อนน้ำนมแม่สักหนึ่งพรรษาจึงค่อยศึกออกไปหางานทำที่บางกอกนั่นสิ ผมว่าคนสมัยนี้ไม่มีใครอยากจะบวชจนตลอดชีวิตกันหรอกท่านตั้งใจประชดหลวงพ่อเดิมแต่สำหรับคนบางคนถึงจะเกลียดพระไม่อยากเป็นพระเขาก็ต้องอยู่คลองผ้าเหลืองต่อไปจนกระทั่งเข้าเมนภิกษุชาราประชดให้บ้างถ้อยคำของท่านทำให้พระหนุมใจแป้วรีบออกตัวว่า คนคนนั้นต้องไม่ใช่เกล้ากระผมเพราะวันพรุ่งนี้เกล้ากระผมก็จะต้องลาสิกขาดวงตาสุสใสของภิกษุชาราจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของภิกษุผู้มาจากต่างถิน่นใจหนึ่งนึกสมเพชแต่อีกใจหนึ่งก็นึกอนุโมทนาที่เขาจะได้ข้ามพ้นวนวังแห่งสังสารคอก่อนละจากโลกนี้ไปคุณว่าเป็นดนตรีไทยไม่ใช่หรือ เล่นอะไรได้บ้างล่ะพิกษุชราเปลี่ยนเรื่องถามหวังให้ผู้มาใหม่เพลิดเพลินและลืมเรื่องศึกเล่นได้ทุกอย่างขอรับทั้งระนาดขิมจะเขซออู้ซอด้วงแต่ที่ถนัดมากก็คือระนาดรองไปก็คือจะเขส่วนกลองและคล้องวงพอได้ตอบอย่างภาคภูมิใจไปเรียนมาจากไหนล่ะ กล้าวกับผมเรียนหลายที่ขอรับมีครูหลายคนคนแรกชื่อครูสมใจอยู่บางม่วงหม่ตอนไปเรียนบางกอกอยู่กับหลวงทาราซึ่งเป็นคุณปู่ของกล้าวกับผมท่านเตีระนาดเก่งเคยเล่นถวายในหลวงรัชกาลที่หกเวลาพระองค์ทรงโขนตอนผมไปอยู่ด้วยท่านอายุเก้าสบแล้วท่านสอนไม่ไหว จึงได้ส่งผมไปเรียนกับลูกศิษย์ของท่านชื่อครูจำนงถึงตอนนี้ท่านอดมีได้ที่จะคิดถึงวันที่เกือบจะต้องเสียชีวิตเพราะหลวงตาทุศีลวัตโนดแต่ก็ป่วยการที่จะเล่าให้หลวงพ่อเดิมฟังต่อมาไปเรียนกับครูสอนศิลปะบรนเลงผมต้องย้ายจากบางแวกซึ่งเป็นบ้านของคุณปูมาอยู่กับครูสอนที่พญาไท เขาคิดค่าเรียนเดือนละหนึ่งช่างและต้องหุงหากินเองไม่สะดวกสบายเหมือนตอนอยู่บ้านคุณปูผมช่วยเขาทำงานทุกอย่างเพราะโยมยายสั่งว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นบังเอิญลูกท่านโตกันหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ปั้นวัวปั้นควายแต่ช่วยเขาทำงานแทนทำทุกอย่างตั้งแต่ถูเรือน ขุดลอกท้องร่องรดน้าต้นหมากรากไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นส้มกับต้นมังคุดกระทั่งภรรยาครูสอนเกิดเมตตาเลยให้มากินอาหารด้วยกันที่เรือนใหญ่แล้วก็ไม่คิดค่าเล่าเรียนในเดือนต่อมาเสียแต่เดือนแรกเท่านั้นและที่บ้านครูสอนนี่เองที่ผมคือเกล้ากับผมเอาเถอะเอาเถอะ แทนตัวเองว่าผมเฉยเฉยก็ได้ฉันไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้ายางภิกษุสูงไวยพูดอย่างนึกเอ็นดูขอบพระคุณขอรับภิกษุต่างถิ่นกล่าวขอบคุณแล้วเล่าต่อที่บ้านครูสอนผมได้พบกับครูจุกขอรับเธอสอนจะเข่ให้ผมแล้วก็ต่อเพลงหลักให้หลายเพลงเช่นแขกลบุรร แขกโอดโสมสองแสงขมิมนไสยโยกลาตรีประดับดาวเพลงหลังเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่เจ็ดขอรับฉันรู้เพราะฉันเองก็ชอบดนตรีไทยและก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆพิกษุต่างวายรู้จึกจะคุยกันถูกคอเพราะต่างก็ชอบดนตรีไทยเหมือนกันแต่ครูจุกนี่หญิงเหลือเกินนะครับ ผมต้องกราบกรานขอเรียนวิชาบอกครูจุกครับขอกราบไหว้ครูครับท่านก็ทำท่าประกอบคำพูดผมนั่งไหว้มันมันยืนเอามือเท้าใส่เอวหน้าเชิดด้วยขอรับทำไมคุณเรียกครูว่ามันภิกษุชราติงท่านเป็นคนเคารพยกย่องครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น ครูลักครูจำครูแนะครูนำครูพร่ำครูสอนท่านก็เคารพก็มันอ่อนกว่าผมตั้งสิบกว่าปีขอรับผมเป็นหน่มแล้วครูจุกยังแค่เจ็ดขวบแต่เก่งเหลือเกินเห็นว่าเป็นดนตรีไทยตั้งแต่อายุได้สีห้าขวบผมอยากได้วิชาเลยลงทุนไหว้เด็กเพื่อนๆผมมันหญิง ไม่ยอมไหว้ครูเด็กก็เลยอดได้เรียนวิชามันบอกเรื่องอะไรจะไปไหว้หนางจุกขี้มูกโป่งครูจุกเธอขี้มูกมากขอรับเวลาขี้มูกไหลามาทีที่ปากเธอก็เอาลิ้นเลียกินตอนนั้นผมเป็นเด็กก็เคยทำแบบนั้นมันเค็มๆอร่อยดีพิสุหนม่เล่าเรื่องราวแต่หลนหลังคุณคงได้เพลงมากสินะ เพราะได้เพลงหลักแล้วเพลงอื่นๆก็เล่นได้สบายปกติเพลงหลักครูเขาห่วงไม่ค่อยจะสอนให้ใครง่ายๆผมก็คิดอย่างนั้นหากเพลงปิดพลาดเนี่ยครูเขาจะนัดผมไปเรียนตอนตีสี่เรียนคนเดียวแต่ถ้าเรียนกับเพื่อนๆ เ, เขาก็จะสอนเพลงธรรมดาให้จริงดังที่หลวงพ่อว่าและขอรับพอเราได้เพลงหลัก เพลงอื่นๆมันก็ง่ายผมเล่นได้พันกว่าเพลงขณะที่เพื่อนๆได้กันคนละไม่กี่วร้อยเดี๋ยวนี้ผมยังจงได้ทั้งหมดถึงได้อยากศึกออกไปสอนดนตรีในที่สุดท่านก็มาลงที่เรื่องลาสิกขา ไม่เป็นไรถึงเป็นพระก่อสอนได้ไม่จำเป็นต้องศึกพงกรงจะเป็นอบัตขอรับภิกษุหนุ่มติงแม้จะเกลียดพระแต่เมื่อต้องเป็นพระท่านก็ไม่เคยละเมิดพระวินยัยสิขาบทแม่เล็กน้อยท่านก็ไม่เคยละเมิดเพราะมีสมณสัญญากำกับอยู่เสมอ มันอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าคุณสอนเขาด้วยเจตนาบริสุทธิ์อยากให้เขามีอาชีพก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของบรรพชิตที่จะอนุเคราะรห์คฤหัสถ์แต่ถ้าขณะที่สอนคุณเกิดหลงไหลจิตติดข้องในกามคุณห้ามันก็เป็นบาปคุณต้องทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วจะไม่บาปผู้อาวุโสกว่าแนะนา หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กชอบดูลิเกมากที่วัดเทวราชมีการสอนลิเกครูที่สอนเป็นสมภารวัดเทวราชท่านเก่งเทศมหาชาติเจ้าบทเจ้ากรอนท่านก็สอนกรอลิเกให้เด็กนักเรียนครูโรงเรียนเขาก็จัดเด็กที่ยากจนเอามาหัดเล่นลิเกเล่นเรื่องเวสันชาดก ตั้งแต่ทศพรจนถึงนครกันคนดูติดกันงอมแงมเพราอเอ่ยถึงฤิเกเทวราชใครๆก็รู้จักแบบนี้สมภารท่านก็ไม่บาปใช่ไหมขอรับถ้าบาปก็คงไม่มากเพราะฉันเองก่อทำเหมือนสมภารที่คุณเล่านั่นแหละฉันต้องการอนุเคราะห์ชาวบ้านให้ลูกหลานเขาได้มีอาชีพพวกที่หัวดีก็ ให้เราเรียนหนังสือจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพวกหัวไม่ค่อยดีก็เอามาหัดเล่เกลําตัดเพลงชอยเขาก็ได้มีวิชาติดตัวพระต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนกินข้าวเขาแล้วก็ต้องตอบแทนเขาไม่ใช่มาบวชนัง่งๆ่งนอนๆไม่รู้ข้างเหนือข้างใต้แบบนี้เขาเรียกว่าบวชเสียข้าสุกเป็นบาปและพวกดาบกระบีกระบอง หลวงพ่อก็สอนด้วยหรอครับพิกษุถามอีกก็สอนกันมาตั้งแต่สมัยสมภารองแรกอย่างที่ฉันเล่าให้คุณฟังนั่นแหละสมภารองแรกท่านเป็นขุนศึกพอมาบวชท่านก็ยังชอบการศึกสงครามท่านบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเมื่อเกิดศึกสงครามจะได้ออกช่วยป้องกันชาติบ้านเมือง ท่านได้ถ่ายทอดวิชาให้กับสมภารองค์ที่สองและก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงชั้นเอาไว้วันไหนว่างฉันจะถ่ายทอดให้คุณท่านสรุปลงเอ่ยที่พระหนุมผมไม่เอาหรอกขอรับอยากได้แต่คาถาที่ทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นก็พอพระเจริญรีบปฏิเสธ หลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุผู้อ่อนวัยแล้วก็พูดตรงๆคุณนี่มันโง่ผู้ใหญ่ให้อะไรก็ต้องรับไปก่อนสิขอถามหน่อยทว่ามีเสื้อสิบตัวกับมีเสื้อตัวเดียวอย่างไหนจะดีกว่ากันมีสิบตัวดีกว่าขอรับจะได้เลือกได้ว่าไปงานเลี้ยงใส่ตัวนี้ไปงานแต่งงานใส่ตัวนี้ ไปงานศพใส่ตัวนี้เป็นต้นก็เหมือนกันนั่นแหละรวยหลายหลายอย่างก็มีประโยชน์ถึงคราวจะต้องใช้ก็เอามาใช้ได้คุณจะรู้ได้อย่างไงว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉะนนั้นผมเรียนก็ได้แต่รอให้สึกก่อนนะขอรับงั้นก็เชื่อได้เลยว่าคุณไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะคุณไม่ได้สึก ประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาหมายความว่าอย่างไรขอรับคนถามรู้สึกใจแป้วหมายความว่าอย่างที่พูดนั่นแหละเอาละใกลรเพลแล้วฉันจะกลับกุฏิละท่านหันไปบอกเนนเหลนชายพาฉันกลับกุฏิได้แล้วพระกับเนนึงช่วยกันประคองท่านลงมาจากศาลาและก็นั่งเกวียนที่จอดอยู่ตรงบันได จากนั้นสามเณรวัยว19จึงลากเกวียนพาท่านกลับมายังกุฏิชันเพลงเสร็จหลวงพ่อเดิมไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะญาติโยมพากันมาจากทิศ ท, ทั้งสี่มาเช่ามีดหมอบ้างเรียนบ้างนางกวักบ้างตะกรุดบ้างเช่าและก็นำมาให้หลวงพ่อเป่าท่านก็เมตตาเป่าให้พระเจริญแอบสังเกตว่า เวลาที่หลวงพ่อเดิมเป่าท่านพูดเพียงว่าเพียงดีเพียงดี พ, งดพร้อมกับเป่าลงไปที่ของเหล่านั้นภิกษุหนุ่มคิดว่าคืนนี้ท่านต้องกรับเรียนถามหลวงพ่อเดิมให้ได้ว่าเพียงดีเพียงดีงดนั้นแปลว่าอะไรกันแน่